ก็ความจเจริญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่롱ปะโคติยานในวันนี้ก็คงพูดเรื่องสามัญญะผลคือผลจากการเป็นสมณะซึ่งก็ได้นำเสนอในเรื่องประยาณมาโดยลำดับมาถึงจุตูปปาติยานคือประยาณที่ยังรู้การจุติและการอนุบัติของส ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมก็อยากจะให้ฟังข้อความในประบาลีพุทธวจนะซะก่อนเพราะว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่เป็นนิปปลยายคืออธิบายที่ไหนก็เหมือนกันคือในด้านการศึกษาการทำความเข้าใจต่าหากว่าทำความเข้าใจให้ได้สักสูตรหนึ่งเนี่ย สมมติว่าเราไปศึกษาในชละพิญญาสูตรกือธิบายพิญญาหกแล้วก็ไปที่ไหนก็จะเหมือนกันเพราะเป็นสัจธรรมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจำนวนในข้อแรกก็จะขึ้นสภาพจิตนี้เหมือนกันีิสูจนนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผองแผ่ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลส อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้มน้อ ม, อมอจิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลายการจุติก็คือการตายการอุปบัติก็คือการเกิดเราเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุปบัติคือกำลังตายกำลังเกิดเนี่ย มีเลวมีประณีตมีผิวพรรณดีมีวิปัสสามได้ดีตกยากโดยทิประจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ยอมยุรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ล่านั้นที่เป็นไปตามกรรมและจากนั้นก็จะส่งจำแนกกรรมโดยข้อความว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบโดยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิ ตอนนี้เป็นการสรุปรวมคำสอนที่เกี่ยวกับการทำบาปทั้งหลายนะครับเปลยอกกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมาไวในที่เดียวกันก็เรียบร้อยไปแล้วคือหมดแล้วทุจริตมื่ออกมาทางกายทางวาจาทางใจทางนั้นเองตีเตียนบระพุดพระ เ, รเจ้าก็เป็นวจีทุจริต ใจที่คิดจะ ต, ติเตียนเนี่ยมันเป็นมโนโทุจริแตแล้วก็มีความเห็นผิดก็เป็นมโนโทุจริตเป็นการเน้นย้ำไม่เห็นถึงทุจริตซึ่งเกิดขึ้นมาที่จิตนี่กายทุจริตก็คือการประทุษร้ายชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นการล้วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นลวงละเมิดในคู่ครองของบุคคลอื่น ก็มีเท่านั้นแหละกายทุจริตแต่ถ้าพูดศีลที่ประณีตขึ้นไปนะฮะก็คือมีเพศสัมพันธ์ก็ถือเป็นกายทุจริตถ้าศีลระดับศีลแปดนะฮะแต่พูดถึงระดับศีลห้าเนี่ยหมายความว่าเป็นละเมิดสิทธิในคู้ปครองของบุคคลอื่นก็เป็นกายทุจริตแล้วการพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาพูดเลวไหลเป็นว่าจีทุจริต การความโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นความไปยาบาตปองร้ายบุคคลอื่นเห็นผิดจากทํานองคองธรรมก็ถือเป็นมโนทุจริตเป็นเรื่องของความคิดแต่เป็นความผิดที่ผิดจากทํานองคลองธรรมและมโนทุจริตที่ทรงเน้นบ่อยๆเป็นการเน้นระดับสินธรรมจัรญา คือการที่มีความเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพฤติกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีการกระทําดีทําชั่วของสัตว์ทั้งหลายไม่มีถัตที่ตายแล้วเกิดไม่มีหรือว่าท่านที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนให้บุคคลอื่นรู้ตามไม่มีเนี่ย กุ้จะาทรงแสดงไว้ในปณิากาสูตรว่าสิ่งทั้งสิบประการนี้มีอยู่แท้ๆแต่คนเหล่านี้เห็นว่าไม่มีความเห็นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปคิดว่าไม่มีพูดว่าไม่มีคำพูดก็เป็นสัมมาวาจา เ, าเป็นมิจฉาวาจาไปคิดว่าไม่มีความคิดก็เป็นมิจฉาสังกัปปะไปกล่าวสั่งสอนแนะนําบุคคลเหลือเห็นตามคล้ อ, คอยตามตนเอง ก็ชื่อว่ามีวาทะเป็นปฏิปักษ์ต่อพระหันทางหลายในโลกอย่าประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากการติเตียนพระเรยเจ้านั้นก็คือการติเตียนพระสงฆ์แต่เราจะเห็นว่าเวลามีการติเตียนเรื่องพระประลบใครขึ้นมาสักองค์หนึ่งนะสักรูปหนึ่งล้วก็จะด่ากลาดโดยไม่ขาดโดยไม่มีปราณีปะาัยกันเลยไม่ได้มีเมตตาหรือพระเดียวนี้เลยใช้คำว่าพระเดียวนี้แต่ ที่พระทำอะไรบกพร่องกันมาสรุปก็าดาพระเดี๋ยวนี้นั้นแสดงึงว่าจิตใจที่ขาดความเมตตาขาดความวังดีขาดความเอื้อเฟื้อต่อภิกษุทั้งหลายทีนี้พอพระเดี๋ยวนี้ปั๊บมันก็ไปเจอพระอริยะจนได้เพราะว่าพระอริยะท่านมีอยู่ทุกยุคทุกสมัย ไปบใดพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าทราบใดที่อริมักเป็ค์แปดประการยังมีอยู่การศึกษาการปฏิบัติชอบตามอริมักเป็นงค์แปดประการไม่อยู่ทรบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระบุคคลทั้งสี่ประเภทนี่ยแล้วก็จากนั้นก็จะแนวมิจฉาทิฏฐิก็คือแนวที่ว่ามาแล้วแต่มิจฉาทิฏฐิที่น่ากลัวเนี่ยมันไม่ใช่สิบอย่างนี้ สิบอย่างนี้มันเป็นนิธรรมเขาเรียกนัตติกะทิฏฐิมันก็หนึ่งในสามะนะฮะคือถือว่าอาเอารยิยติฏฐิถือว่าการกระทําไม่เป็นการกระทํำอาเรตุกะทิฏฐิถือว่าผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเหตุนัตติกะทิฏฐิไม่มีไอศิบประการที่ว่าเนี่ยคือปฏิเสธว่าไม่มีเป็นความเห็นที่เป็นอันตรายเพราะว่ามันคุ้มลุ้มฟังตัวเองนะฮะเป็นวัดโตเป็นเรียกว่าเป็นหลักต่อในวัดตัก คือไม่มีทางจะเจริญก้าวหน้าได้ทีนี้ก็ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตพนโนสุจริตไม่ติเตียนพระริยเจ้าเป็นสมาธิฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสมาธิิประเภทแรกนั้นทรงแสดงว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตยกย่อเข้าถึงทุกขติวินิบาตนรกนะก็พูดสามอย่างนะฮะทุกขติวินิบาตนรก ไม่พูดถึงอสุรกายคือว่าอบายสี่เนี่ยนิระยะนรกติระชานโยนิกำเนิดติระชานปิติบริยะภูแผงเปตอสุรกายพวกอสุรกายแต่ว่าคำว่บายเนี่มันก็คลุมไปหมดแล้วนะอบายกระทุ ก, กตินี่ก็คือการก็วินิบาตก็คือกนนารนรกก็คือการคือไม่ดีทั้งนั้นน่ะหมายความพวกทุ ก, กติคือไม่ดีทั้งนั้น เป็นการชรงแสดงถึงผลที่บุคคลเหล่านั้นจะได้ในปาชาติปัจจุบันแต่ว่าเน้นไปที่อนาคตได้หลองสังเกตว่าพระเจ้าเวลาแสดงเรื่องสวรรค์นรกเนี่ยจะพูดเรื่องชาติหน้าไม่ได้พูดเรื่องสวรรค์ในอกนรกในใจอย่างที่เราเออกมาพูดกันเมื่อหน้าแต่ตายเปรือกกายแต่คือหลังจากตายไปแล้วย่อมเข้าถึงทุกขติวินิบาตนรก โส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวิจิสุจริตมนโนสุจริตกายสุจริตก็คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการถือสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้งดเว้นจากการรบ ก, กิดในทางการงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคํำหยาบงดเว้นจากการพูดเพื่อเจอรจวไหลแม้จะมีความโลภอยู่แต่ไม่ถึงกับอยากได้ของของบุคคลอื่น แม้จะมีความโกรธอยู่แต่ไม่ถึงอาฆาตพยาบาทต้องการจองล้างจองผานใครแม้จะมีความเห็นผิดแต่อยู่บ้างนะฮะแต่ไม่ถึงก็ออกนอกลู่นอกทางดังที่กล่าวแล้วประเบนแนวทั้งสามประการที่กล่าวไว้มันแรงเกินไปเพราะคนถ้าเราถ้าเห็นอย่างนั้นมันก็ไม่ทําความดีอะไรไม่รู้ทำไปทําอะไรอะ่ระเพแกไม่เห็นต้องมีเหตุผลอะไร เห็นว่าการกระทําไม่เป็นการกระทําในทําดีก็ไม่เป็นการกระทำํำทำชั่วก็ไม่เป็นการกระทําแล้วแกจะทําดีทําไมมันทวนกิเลสทวนกระแสกิเลสแกก็สู้กิเลสไม่ได้แต่วก็ถือว่าผลทั้งหลายมันมาจากเหตุแกก็ไม่สนใจที่จะประกอบเหตุยิ่งไม่มีและยิ่งจบสิ้นเลยคือไม่สร้างเหตุอะไรเป็นความคิดที่เป็นอันตรายแต่ว่าทุกยุคทุกสมัยในคนจะมีความเห็นในแนวนี้อยู่ เป็นเรื่องที่น่าสลดตระหนูใจอย่างยิ่งว่ะใ น, ในสังคมพุทธเราเนี่ยก็ไม่น่าจะขนาดนั้นนะนะแต่ก็มีความคิดในแนวนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงแต่ว่ามันก็เป็นไปตามกรรมทนะฮสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเขาเราก็คงไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้แล้วก็สัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาที่เห็นชอบตามความเป็นจริงถือว่าการกระทําก็คือการกระทํา ผลทั้งหลายนั้นมาจากเหตุเหตุทั้งหลายก่อให้เกิดผลแล้วก็การให้ทานมีผลการบูชามีผลพิธีกรรมต่างๆมีผลแม่มีคุณพ่อมีคุณโลกนี้มีโลกหน้ามีการกระทาดีทั้งชั่วนั้นทําทําดี ท, ทำทําชั่วนั้นมีแล้วสัตว์ที่ตายแล้วเกิดมีท่านที่รู้แจ้งโลกนี้แลสอนบุคคลอื่นรู้ตามมีคือเชือ่อความมีอยู่ของ กรรมเชื่อความมีอยู่ของสังสารวัฏเชื่อความมีอยู่ของพระพุทธเจ้านะฮะเพราะว่าตรงตรงนี้ที่จริงมันพูดถึงทั้งกรรมทั้งสังสารวัฏนะฮะเราจะลองลองสังเกตว่าประกอบด้วยกายสุจริตวิจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระเรียเจ้าเป็นสมาธิิยึดถือการกระทำด้วยอํานาจสมาธิแล้วนี้เป็นกรรมเป็นกุศ ล, ลกรรมเมืหน้าแต่ตายร่างกายแตก เขายอมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ไอ้ น, นี้ก็เป็นทางสังสารวัฏแล้วก็รับสั่งว่าเธอยอมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัตเลวประนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์สามได้ดีตกยากโดยที่ประจักษสุอันบริสุทธ์ล่วงจากสุ ข, ของมนุษย์โดยเฉพาะสภาพจิตอย่างที่กล่าวไว้ในตอนตอน้นว่ามีความสาคัญแต่สภาพจิตอย่างเนี้ย ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ผ่องแผ่ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้มน้อมจิตไปเพื่ออันนี้คือประเด็นสำคัญว่าการจะคัดค้านด้วยการจะปฏิเสธเนี่ยถ้าถึงสภาพจิตตรงนี้แล้วไม่มีการปฏิเสธเพราะท่านเห็นตรงกันทั้งหมดเลย เพียงแต่ว่าคนีนคัดค้านนั้นคือคนที่ไม่มีจิตแม้สงบจากนิวรณ์ก็ยังไม่มีแล้วเขาก็ไม่สามารถจะเห็นได้มันก็เรื่องธรรมดาตัวทำนองคล้ายๆกับเชื้อไวรัสเนี่ยเราไม่มีกล้องจุลินทรีย์เราจ้องกล้องจุลทัศน์เราก็ไม่เห็นนะตัวจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีประการต่อไปก็ส่งแสดงในยะของอาสวัคยาน ข้อความเหมือนกันนะฮะคือข้อความเนี่ยก็ต้องเมื่อเหมือนกับอายานไปเลยอะ่ะคือสภาพจิตต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ผลต่างๆเนี่ยจึงจะเกิดขึ้นมาได้เราสังว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ของแพร่ไม่มีกิเลสปราศจากโอเบกเลสอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่วันไหวย่อมอย่างนี้ย่อมนมน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคย า, ยาน ยอมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกกสมุทัยนี้ทุกกันิโรดนี้ทุกกนิโรตคามินีเหล่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรดนี้อาสวะนิโรตคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตเดี๋ยวจมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายนี่คือประเด็นสำคัญตรงนี้การที่ จะบรรลุมรคลเป็นพร ะ, ะบุคคลเนี่ยมันต้องผ่านญาณที่รู้อริยสัจสี่คือสัจญานรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่านี้ทุกมีเหตุเกิดแห่งทุกมีความดับทุกมีข้อปฏิบัติให้ถึงถึงความดับทุกกิจญาณรู้กิจที่ควรทําในอริยสัจทั้งสประการนั้นรู้ว่าทุกควรกําหนดรู้สมุทยัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมรควรเจริญแล้วก็รู้ว่า กัตยานนะกัตยานรู้ว่าได้ทําแล้วคือรู้ว่านี่ทุกทุกควรกําหนดรู้เราได้กําหนดรู้แล้วนี้สมุทยัยสมุทยัยควรละเราได้ละแล้วนี่นิโรดนิโรดควรทาให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้วนี่มรรคมรรคควรจเจริญเราได้จเจริญแล้วก็หมายความว่าเกิดยานสามในอริยะสัตว์สี่ที่สํานวนในธรรมจกกักรวัปตันสูตรทรงชช้ก็วบบ่ามียานสามเกิดขึ้นในระยะสัตว์สี่มีบนสามมีอาการสิบสอง ที่ทำมาเป็นเสมาธรรมจักรเป็นเครื่องหมายเสมาธรรมจักสิบสองซี่นะฮะเราคือยานสามเกิดขึ้นในริยะสัตว์สี่นี่เองถ้าแปดซี่ก็หมายถึงอะเรบักไปองแปดถ้าสี่ซี่ก็หมายถึงอริยาสัตว์สี่ถ้าสิบหกซี่ก็หมายถึงกิจในริยะสัตว์สิบหกประการนั่นเองทีนี้การทําอาสวะให้สิ้นไปเนี่ยสภาพจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไป ท่านจะละ ก, กามาสะวะอาสะวะคือกามภวาสะวะอาสะวะคือพบอภิชาสะวะอาสะวะคื อ, อวิชาไปได้และตัวยานเนี่ยมันจะเกิดผุดขึ้นมาภายในจิตใจของท่านท่านรู้ด้วยตัวท่านเองคล้ายๆกับเรากินอาหารเพื่อหวานมันเค็มเนี่ยเรารู้ด้วยตัวเองเราอาธิบายคนอื่นฟังไม่ได้การที่บรรลุมาถึงระดับนี้ระดับอรหันตผลก็มีลักษณะอย่างนั้นคือท่านรู้ด้วยตัวของท่านเองว่า ชาตินี้สิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วชาติความเกิดสิ้นแล้วคือเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้วแล้วรู้ว่าชาติคือความเกิดนี่ก็จบแล้วไม่มีการจุติคือมีการจุตินะฮะคือก็คือนิพพานแต่ไม่มีการอุปบัติคือไม่มีการเกิดการตายเนะี่ยมีพระหันตายเราเรียกว่านิพพานนะการตายก็มี แต่ว่าที่จริงเราไม่เรียกว่าตายเพราะถ้าตายมันไปผู่ก็เกิดตายก็เกิดนะเลยก็เรียกว่าป า, านิภานแปลว่าดับรอบดับหมดดับกิเลสดับทั้งกรรมดับทั้งวิน ญ, ญาณดับทั้งนามารูปดับหมดก็เป็นศูนย์เป็นว่างเปล่าแล้วก็พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วคือการปฏิบัติที่เกี่ยวกับละชั่ว ป, ประพฤติดีนะฮะพอเสร็จแล้ว กิจที่ควรทำที่เกี่ยวกับะชั่วเพื่ดีก็เสร็จแล้วกิจอื่นในทํานองเดียวกันก็ไม่มีอีกต่อไปเพราะภารกิจต่อไปนั้นก็เป็นภารกิจที่จะต้องทำเพื่อคนอื่นก็อุปมาให้ฟังว่ามันเปรียบเหมือนกับสะน้ำบนยอดเขาใสาสะอาดไม่ขุนมัว บรูดผู้มีจัสุยืนอยู่บนขอบสระนั้นจะพึงเห็นหอยโข่งหอยกาบต่างๆบ้างก้อนกรวดก้อนอิดก้อนหินบ้างหูงปลาบ้างกำลังว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระน้ําเขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่าสระน้ํานี้ใสสะอาดไม่ขุดมัวหอยโข่งและหอยกาบต่างๆบ้างก้อนกรวดและก้อนหินบ้างปูงปลาบ้างเหล่านี้ก็ลังว่ายอยู่บ้างก็ลังหยุดอยู่บ้างในสระน้ํานั้นชัดดังนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ของแพ้่ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกคิเลสเป็นจิตอ่อนควรแกการงานอย่างนี้แล้วไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็เกิดยานผุดขึ้นรู้อันในอริยศาสตร์ดังกล่าวแล้วก็แสดงมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะฮะก็อย่างที่บอกว่าแนวของพระสูตรก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคยาสัตว์อย่างนี้พระเจ้าแผ่นดินมคธ ก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิีของพระองค์แจมแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจมแจมแจ้งนักเรียเหมือนหงายของที่คว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือสองประเทศในที่มืดโดยคิดว่าผู้มีจักษุจะเห็นรูปดังนี้ชั้นใดประยายธรรมะที่ พระเจ้าทรงสแสดงก็จะมีลักษณ ะ, ะเช่นเดียวกันเช่นนั้นแล้วก็กล่าบทูลว่าข้าแต่พรองค์ผู้เจริญหม่อมฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงค์ว่าเป็นสระนะขอพระผู้มีพระภาคทงทรงจําหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสร ะ, ะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไ ป, ปกล่าวมาถึงตรงนี้ก็ ทำมาย้อนหวนแะลึกถึงบาปรกรรมต่างๆที่ทรงกระทำไว้กับพระชนกคือพระเจ้าพิมพิสารทรมานพระเจ้าพิมพิสารจนที่วงโคตรไปเนี่ยก็บาปรกรรมที่จึงต่าอยู่ภายในพระไทยของพระองค์ไม่สงบเลยนะฮะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเรียกว่านอนไม่เต็มตื่นเลยคือไม่สงบพระไทยไม่สามารถสงบพระไทยได้ก็ขอขอมานะบอกว่า โทษได้ครอบงาหมอมฉันซึ่งเป็นคนเขา่าคนหลงไม่ฉลาดหมอมฉันได้โปรงพระชนมา ช, ชีพพระบิดาผู้ดํารงธรรมเป็นปราชาโดยทําพระเหตุแห่งความเป็นใหญ่คือต้องการความเป็นใหญ่นะฮะต้องการเป็นพระเจ้าเป็นดินเสียเองแล้วก็ไปฆ่าพระราชบิดาขอพระมีพระผู้มีพระ ภ, ร า, ภาคจงทรงรับทราบความผิดของหมอมฉันโดยที่เป็นความผิดจริงเพื่อสํารวมต่อไป พระเจ้าก็รับสั่งเท่าที่จะรับสั่งได้นะครับเพราะว่ามันเรื่องสายเกินจะแก้ไขไปแล้วแต่ว่าการสํานึกกลับเนื้อ ก, กับตัวตอนนี้มันจะเป็นผลอนิสง์ในอนาคตการนานไกลแต่ส่วนในชาติปัจจุบันนั้นเมื่อคนเราพอถึงอ น, นันตเรกัมแล้วมันจบแล้วนะคือจะทําอย่างอื่นความดีอย่างอื่นมันก็ทําได้แต่ว่าเวลาให้ผลนะพวกอ น, อ น, นันตกรรมก็ต้องให้ผลก่อน แวความดีเดียานั้นก็ตามไปให้ผลในโอกาสอื่นพระเจ้ชาชาสูดนันท่านบอกว่าต่อไปในอนาคตการนานไกลนะฮะจะได้เป็นรู้สึกจะเป็นรอดพ้นจากนรกหรือเป็นอะไรเนี่ยในโอกาสต่อไปเพราะว่าท่านก็สร้างบารมีอะไรไว้เยอะนะฮะหลังจากได้สานึกตัวว่าทำบาปกรรมอะไรไว้มากพระเจ้าก็รับสั่งง่ายๆว่าความผิด ความผิดได้ครอบงำมหมาบ่อพิษซึ่งบนคนเขาคนหลงไม่ฉลาดหมาบ่อพิษได้พวงประชน์มิชีปบิดาปุรุรงธรทำเป็นราชาโดยธรรมเพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่แต่เพราะหมาบ่อพิษทรงเห็นความผิดโดยเป็นความผิดจริงแล้วทรงสารภาพความจริงฉะนั้นอาตมาภาพขอทราบความผิดของหมาบ่อพิษคือเพียงแต่รับทราบนะฮะ การในบุคคลเห็นความผิดโดยความเป็นความผิดอันนี้สําคัญที่สุดว่าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเป็นลัการสาคัญแล้วก็สารภาพความจรงิงสังวรระวังต่อไปนี้เป็นความชอบในวินัยของพระเจ้ารับสั่งลักษณะอดตัวนะฮะคือไม่ไปรับรองถึงเรื่องบาปกรรมอะไรของท่านแต่ว่าแล้วก็ทําให้มีขวัญมีกําลังใจเมื่อได้ยินผู้ตรมรับเช่นนั้น พระเจ้าอาชารย์สุก็กราบลาพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยสํานวนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันบกิจารบูกริญญาเนี่ยมีกิจมากมีเรื่องมากมอมฉันมีกิจมากมีกิญญามากพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งอย่างที่สํานวนเราใช้ยัศดาในตรงเห่งการลังมัญญาถะในปัจจุบันในวันธรรมสุนะเนี่ยเราเวลาชาวบ้านก็ลาพระก็จะกล่าวคํานั้นออกไปก็ พระเจ้ารับสั่งว่าคือเมื่อเมื่อเมื่อพระเจ้าชาติสู่เพลเพลในธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถวายบังคมออกไปแล้วในไม่นานเนี่ยพระเจ้าก็รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าประชาบลงนี้ถูกขุดเสียแล้วประชาบลงนี้ถูกขจัดเสียแล้วหากเขาเธอจักไม่ปรุงพระชนมาชีพพระบิดาผู้ดํารงธรรม เป็นประชาชาโดยทาใช้ธรรมจักสุปราจจะจักธุรีปราจจะจักมุลทินจะเกิดขึ้นแก่เท่าเธอหนะ้าที่ประทับนี้ทีเดียวคือธรรมเทศนานี้เป็นความพยายามใหญ่มากยาวมากนะบื่อเจ้าอธิบายไตย่ระดับขึ้นมามากแล้วก็ละเอียดมากนานจะแสดงยาวขนาดนี้สักทีหนึ่ง มันก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าโสดาปฏิมักเป็นโสดาปฏิผลที่เรามีบารมีขนาดนั้นในเสื่อมได้เพราะฉะนั้นบุคคลยังไม่ควรประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายลักษณะของบัณฑิตจะต้องยึดมั่นอยู่ในอัปปมาตธรรมคือไม่ประมาทในการเพิ่มพูนบุญกุศลเพราะว่าคนขนาดบารมีจะบรรลุมผลเป็นระโสดาบันแล้วยังเผลอใจไปทําผิดขนาดอนันติยกรรมได้เนี่ยนับภาษาอะไรกับเราซึ่ง บารมีจะถึงขนาดไหนยังไม่รู้จึงต้องสำรวมระวังให้มากไว้ทั้งฟังทงั้งหลายในรมปทิญาาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาหนึ่งเร่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรในธรรมยมีแต่ท่านผู้ฟัง ท, งทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี